เตรื่สุดแห่งจะต้องตอบยำจำในใจรักชั่วทาําดีทําใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวัสดีเรามาเข้าเรื่องเครศสรดีก็เลยคิดอย่างนี้คิดได้อย่างไง คุณพ่อเป็นคนจีนเกิดที่เมืองซันดากันกเกาะบาหลีเหนือประเทศอินโดนีเซียซิ่งขนานั้นอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษคุณย่าเสียชีวิตตั้งแต่คุณพ่ อ, อยังเล็กๆหลังจากะะนั้นคุณปู่ก็แต่งงานใหม่แล้วคุณปู่ก็ส่งคุณพ่อไปเรียนอยู่กับมิชชันนารีที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่อายุเดขวบจนอายุได้32ปี คุณพ่อจึงออกเดินทางจากสิงคโปร์เพื่อไปอยู่กับคุณลุงที่ฮ่องกงเกิดที่อินโดนีเซียร เ, เรียนสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ฮ่องกงแต่ระหว่างการเดินทางนั้นคุณพ่อกำลังแวะพักเยี่ยมเพื่อนที่เป็นกองศุน์ของสถานทูตอังกฤษในเมืองไทยคุณพ่ออาศัยอยู่ในเมืองไทยเพียงไม่กี่วันท่านก็ได้ไปพบกับคุณแม่ซึ่งเป็นช่างทาผมในร้านแห่งหนึ่ง เพียงแรกเจอที่คุณพ่อพบกับคุณแม่นั้นนั้นถ้าเกิดพอารู้สึกว่ารักแ ร, ก, รกพบเกิดขึ้นแล้วส่วนคุณแม่ก็มีทีท่าว่าจะชอบคุณพ่อโดยเหมือนกันในสุดคุณพ่อก็ไม่รีรอรักแล้วก็ขอเลยรักแล้วรอไม่ได้รีบขอคุณแม่แต่งงานทันทีคุณแม่ก็อืม มีลีลานิดหน่อยพองงามแล้วก็โอเคคุณพ่อจึงได้อยู่กับคุณแม่ที่เมืองไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยไม่ต้องไปที่ไหนเลยนี่ฮเพราะคุณแม่เป็นเหตุได้อยู่เมืองไทยเลยคุณพ่อก็เริ่มทํางานที่โรงงานยาสูบซึ่งเป็นของรัฐบาลอังกฤษเป็นงานแรกในเมืองไทย ตมกะก็ได้ย้ายไปเป็นหัวหน้านแผนกจ่ายน้ํามันที่บริษัทเชลซึ่งเป็นของอังกฤษเช่นกันคุณพ่อชอบการล่าสัตว์ทุกชนิดยิงนกตกปลาที่ถังแรงท่านซึ่งตั้งติดกับแม่น้ํามีทั้งนกกระสานกกระยางจํานวนมากมายนกเหล่านั้นจะเ ป, นเป็นเป้าอย่างดีให้กับคุณพ่อแล้วท่านก็ยิงนกด้วยความเมามานันสนุกสนานทุกปัน เราคิดว่านั่นคือเกมีวลายามว่างชนิดหนึ่งมนุษย์คิดอย่างนกคิดอีกอย่างนะนกคิดเออไปเรื่องอะไรวะไม่ยิงเราเรื่องอะไรนี่ถึงแม้ว่าคุณพ่อจะชอบลาสัตต์แต่ก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากแล้วก็ไม่เคยเจ็บป่วยเลยนี่แปลกนะทาปานาฏิบัติแต่แข็งแรงจนกระทั่งอายุได้9ก้าสิบสามปีอือ นั่นให้มันน่าศึกษาไหมจ๊ะบางะงั้นถ้าคนไม่รู้เรื่องราวความจริงยุคจำโมเมว่ า, าไม่เห็นจริงเลยเนีว่าทําปารันปฏิบาติอยุสัน้นปานปฏิบาติอายุยาวเรื่องนี้มีเหตุบุญบาปเดียมั้ยจ๊ะมันสลับซับซ้อนที่จะส่งผลอะไรต่างๆนี่ต้องศึกษาไม่ศึกษาไม่ได้ละบาปจะไม่มีใครถ่ายหรือล้างให้ได้หรอกต้องถ่ายเองล้างเองแหละอายุการสารปีจึงล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ลําไส้ แล้วก็ต้อขา้ขาออกในโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษานานถึงสามปีในวันที่เสียชีวิตนั้นคุณพ่ออามากหายใจติดขัดคุณแม่ก็เป็นห่วงมากแต่คุณพ่อท่านเป็นคริสคุณแม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรคุณแม่อยากให้คุณพ่อหายคุณแม่ก็เลยสวดอิติปิโสไหลายสิบจบ โ ส, สดีตีพิโสไปแล้วคุณพ่อฟังด้วยแล้วก็อธิษฐานจิตดังๆว่าขอให้คุณพ่อไปดีแล้วคุณพ่อกระจากทุกคนไปมาปีสองห้าสามหกคนแม่เป็นคนจังหวัดลำปางเกิดในสมัยอรัจการที่หท่านชอบทำบุญตักบาตรเสมอตั้งแต่ลูกจำความได้นี่คือการถ่ายทอดคุณธรรมระหว่างแม่ถึงลูกทาให้ดู แล้วเป็นเรื่องราวที่ลูกแม้ตัวเล็กๆก็ยังจำได้ซึ่งบางทีเรานึกว่าเด็กไม่ได้สนใจลูกจะได้ยินเสียงนิมนต์ก่อนค่ะนิมนต์ก่อนค่ะทุกเช้าเลยทุกเช้าจะได้ยินเสียงคุณแม่นิมนต์ก่อนค่ะแต่เดี๋ยวนี้นี่โอในเมืองหลวงในก ร, รุงเนี่เสียงนี้ไม่ได้ยินแล้วน่าเสียดายนะ จะได้จังเมื่อคุณแม่ตักบาตรเสรจก็จะไหว้พระแล้วก็สวดมนต์ด้วยเสียงใสๆที่ดังมากแล้วก็แผ่เมตตาให้ตั้งแต่เทวดาชกชั่นกระทั่งพรมแล้วก็สัตวร์นรกทุกขุมโดยสำียงชาวเหนือที่ไพเราะมากอีกด้วยเอ๊ะขสวดกันยังไงนะจ๊ะชาวเหนือจำได้ไหม จำไม่ได้ที่ท่านตั้งสั่งสมอย่างนี้เพราะว่าคุณไม่มีขายแม้แตหล่นทัพก็ไม่มีมีแต่อะไรหล่นจ๊ะกระสอบกระสากระสอบรสารและหล่นทับมาคุณแม่กับคุณพ่อโพูดกันคนละภาษานับถือศาสนาก็าต่างกัน เพราะฉะนั้นทั้งสองเมื่ออยู่ด้วยกันก็เลยทะเลาะ ก, กันก็พูดกันบ่นอยจะรู้เรื่องมุมคนละภาษานับถือศาสนาก็ต่างกันเนี่ยทะเลาะ ก, กันไปทะเลาะ ก, กันมาจนมีลูกเด็กกัน8ดคนทะเลาะอีหยังว่าเนี่ยหญิงสี่คนชายสี่คนคุณแม่เองมีความพยายามที่จะอธิบายให้คุณพ่อเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาโอ้ด้วยความรักของคุณแม่เนี่ยใหญ่คุณพ่อเข้าใจความรู้สากล ที่ทุกคนศึกษาส่วนคุณพ่อก็มีความยานที่จะให้คุณแม่มาเป็นคริสสอสนาเอกชนด้วยกันเพราะะนั้นเวลาคุยด้วยกันก็ต่างคนต่างชวนต่างก็ประชาสัมพันธ์ว่าศาสนาของตัวนั้นดีงั้นดีงี้ดีง่าอะไรนี่ยังแค่นั้นยังไม่พอคุณพ่อพาบาทหลวงมาคุยกับคุณแม่บาทหลวงก็มาคุยกับคุณแม่ คุณแม่ท่านก็นมีทางออกกับบาทหลวงว่าดิฉันพบทางของดิฉันแล้วค่ะอืมดิฉันพบทางของดิฉันแล้วซึ่งเป็นหนทางสว่างก็ขอบพระคุณที่ท่านบาทหลวงแนะนำํำเอาว่าเมื่อไหร่เนี่ยพระบุญเจ้าท่านอยากให้ดิฉันได้นับถือแล้วท่านจะบรรดาให้ดิฉันนับถือเองหลังคุณพ่อเสียชีวิตได้สี่ปี ในปี2540คุณแม่อยู่ใน79ปีก็หกล้มกระดูกสะโพกหักเข้าพาตัดที่โรงพยาบาลเซนหลุยพอการดีขึ้นคุณหมอจึงให้กลับบ้านต่มาอีก3วันคุณแม่ก็เสียชีวิตหลังงานศพของคุณแม่คนข้างบ้านมาบอกว่าคุณแม่มาเข้าฝันเขาและยืนเงินใ้เขา บอกให้เอาไปทําบุญที่วัดพระธรรมกายให้ด้วยเออฝันอีกเนาะทั้งๆที่แต่ตอนนั้นคุณแม่แล้วลูกก็ไม่เคยไปวัดพระธรรมกายเลยลูกจึงได้มาวัดพระธรรมกายครั้งแรกในปีที่คุณแม่เสียชีวิตแต่ก็ไม่ได้มาด้วยศรัทธาหรอกนะคะมาด้วยความจําเป็นเพราะจะเอาเงนินมาทําบุญที่วัดพระธรรมกายตามที่คุณแม่บอกในฝันพอทําบุญเสร็จก็กลับทันทีแล้วก็ไม่ได้มาวัดอีกเลย เสียด้จังเลยนี่แต่ตอนนี้ไม่ต้องเสียดายแล้วเพราะามาแล้วปัจจุบ ล, ลกอายุ62ปีแล้วทำงานเกี่ยวกับผู้อบปยบอยู่ที่เมือง ento, สการ์มนโตสหรัฐอเมริกาลูกเป็นคริสต์ยาสนชนที่เคร่งครัดมาตั้งแต่ยาวไวัยจบการศึกษาจากโรงเรียนคริสแล้วก็ศึกษาต่อด้านพระคัมภีร์ที่สิงคโปร์ การทำงานที่ธนาคารอินโดสเวียของฝรั่งเศสอยู่16ปีแล้วก็ชีอเหลืองงานของโบส์อย่างเต็มที่ควบควบู่ไปด้วยเป็นบุคลกรชั้นแนวหนะ้าที่ทำหน้าที่ออกเชิญชวนคนให้มาเป็นคริสต์ทั้งยังช่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือแผ่นภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นต้นเพราะลูกเป็นทหารของพระเจ้านักรบของพระเจ้า ลูกศึกษาพระักำพรีทุกเล่มอย่างเอาจริงกับจังยังขาดอีกอย่างน้อยสามเล่มก <4 S 1> <ๆ>็เหล็กไตรปิดกศึกษาพระกภีร์ทุกเล่มอย่างเอาจริงกับจังไปโบทุกทิตจนทันจะของบทที่ลูกเป็นสมาชิกขอให้ลูกแต่งงานกับมิชชันนารีแต่ด้วยภาระที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ อ, อีก5้าคนทําให้ไม่คิดได้ที่จะแต่งงาน แต่ตั้งทั้งที่ลูกเป็นนักรบของพระเจ้าทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อพระผู้เป็นเจ้าลูกก็ยังข้องใจในคำสอนบางประการที่ได้อ่านในพระคัมภีร์ทุกเล่มและที่ได้ฟังท่านบาทหลวงพูดเช่นเราต้องรักพี่น้องในคริสตจักรมากกว่าพี่น้องของเราคือถ้าเป็นคริสเตียนกชนด้วยกันเนี่ยให้รัก มากกว่าพี่น้องที่คลานตามกันออกมาลูกจึงมีอาการต่อต้านเล็กๆเพราะลูกยังมีพี่น้องบางคนที่เป็นพุทธอยู่คือจะมีความเชื่อต่างกันแต่เราก็คลานตามกันออกมาเนี่ยเขาสอนลูกอย่างนี้ลูกเข้งใจว่าคิดได้งไงอะ่ะต่อมาลูกมีโอากาสไปอยู่ที่อเมริกา4่เดือนแล้วก็มีความต้องการอยากจะได้วีซ่าถาวร อามาแล้วจึงจดทะเบียนสมรสกับนุ่มชาวอเมริกันคนหนึ่งเมื่อคุณพ่อแม่ทราบเรื่องก็โกรธมากรับไม่ได้เลยลูกจึงตัดสินใจทิ้งหน้าที่การงานที่เมืองไทยมาอยู่กับนุ่มอเมริกันที่ลูกจดทะเบียนด้วยซึ่งเขาก็คือสามีคนปัจจุบันของลูกมาเจอเทพระบุตรสามีของลูกก็เป็นคริสเตียนกันเรามีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคน ลูกยมอเมริกาเป็นคริสเตียนที่ดีเสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อปีสองห้าสี่หนึ่งนักศึกษคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่ซีแอตเทิลได้ส่งเทปเพลงทุ่งนาฟ้าโลกที่กล่าถึงเรื่องราวของคุณยายมาให้ลูกฟังเพลงแรกของตะวันทำเลยนั่ น, น, นทุ่งนาฟ้าโลกโลกรู้สึกประทับใจในตัวคุณยายมาก จงได้ไปร่วมงานกับถิ่นคุณยายที่วัดพระธรรม ก, กายแคาลิฟอร์เนียเป็นครั้งแรกและยิ่งมาได้อ่านประวัติชีวิตของคุณยายที่ได้ไปเชื่อคุณพ่อในนรกได้ลูกก็ยิ่งมีความระทับใจและก็นึกถึงคุณพ่อของลูกลูกจึงอธิษฐานจิตขอคุณยายให้เชื่อคุณพ่อของลูกด้วยลูกไม่จะอธิษฐานจิตกับคุณยายเสมอเสมอไม่ว่าจะขอสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกอย่าง ลูกก็เริ่มมีความศรัทธาในวัดในคําสอนต่างๆมากขึ้นจนปัจจุบันนี้ลูกที่ทำบุญทุกบุญกับวัดอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างต่อเนื่องส<ะ>าธุถูกหลักวิชาจ่านี่เพราะเป็นความดีสากลที่ทุกคนทำได้เนื่องจากบุญไม่มีการซื้อต้องทาเองบุญไม่มีขายจนหลายๆเขาไดเป็นชาวคริสหลดทั้งลูกสาวลูกเองด้วย พากันต่อว่าตัวลูกว่าทรยศต่อพระเจ้าขบฏเป็นขบฏ ท, ทรยศต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่ก็ลูกก็รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยอาจจะช่วยลูกให้ไปได้แค่สวรรค์แต่พระพุทธเจา้าและมหาปุญญายาจารย์ของเราจะช่วยลูกให้ไปได้ไกลเกินกว่าสวรรค์ซึ่งในคิดคำในพระคัมภีร์นไม่มีค่ะ มีแค่สวรรค์แต่เลยไปกว่า น, นั้นไม่มีอันนี้ความคิดนี้เขาเรียก creative intelligence มีภูมิปัญญาสร้างสรรค์คิดไปในทางที่ดีคือชีวิตเราไม่ควรถูกสกัดกั้นอยู่เพียงสวรรค์บางชั้นแต่ควรจะไปไกลกว่า น, นั้นนี่ถูกหลักวิชาเราสวรรค์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหมดกำลังบุญล่นตุ๊บแล้วมันในมนุษย์ก็มีไปอบายก็มี นี่นี่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องล้อกรร ม, มาทีเดียวนะจ๊ะน้องสาวคนที่สองเรียนหนังสือเก่งสนิทกับคุณแม่มากแต่ก็เป็นคริสเตียนเหมือนลูกนี่แหละคุณแม่ชอบปลาร็อบว่าถ้าลูกคนนี้ได้นั่งสมาธิคุณแม่เป็นพุทธนะถ้าลูกคนนี้ได้นั่งสมาธิจะไปได้ไกลทีเดียวแต่น้องสาวไม่เข้าใจ และก็ไม่ชอบใจสิ่งที่คุณแม่พูดหลังจากจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เข้าทำงานที่สำนักข่าวฝรั่งเศสได้พบรักกับนักข่าวชาวอเมริกันและได้แต่งงานกันเธอก็ต้องย้ายตามสามีไปประเทศต่างๆบ่อยๆทั้งฝรั่งเศสอเมริกาอังกฤษเบลเยียมจนกระทั่งขณะที่เธออยู่ที่ปรารีส ยูยูเธอเกิดอยากฝึกสมาธิทั้งทั้งตอนที่แม่มีชีวิตอยู่พูดมันไม่เข้าหูจึงไม่เข้าหัวและก็ไม่เข้าอยู่ในใจแต่ตอนนี้มาแล้วเธออยากจะฝึกสมาธิจึงได้แสวงหาพระสงฆ์เพื่อให้ท่านสอนสมาธิให้แล้วเธอก็ได้ไปพบสูบรปฏิบัติธรรมเบญเยียมเป็ครั้งแรกน้องสาวลูกก็ได้มาขอร่วมบวชเป็นอุบาสิกาแก้วด้วยถูกหลักวิชาอย่างนี้ถูกต้อง เราต้องเผื่อเหนียวหรือมีความคิดว่าเอออะไรเป็นสิ่งที่เป็นความดีสากลทําไปเลยทิตนก็ไปเลยเป็นอุบาสิกาแก้วไม่มีการโบชีพรามเพราะเราเป็นพุทธวิตชีพุทธ <c oughs> ชีพุทธต้องกลนหัวแต่นี่ไม่กลนหัวเรียกอุบาสิกาแก้ ว, วนี่เห็นไหมจ๊ะจึงได้รู้จักวิธีการนั่งสมาธิตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาเธอก็ได้รวมกลุ่มคนไทยในปาลี นั่งสมาธิกันเป็นประจำเลยและเพราะสมาธินี่แหละทําให้ใจเธอเกลี้ยงเกลี้ยงจนกระทั่งเกิดดวงปัญญาสมาธิเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาทําให้เธอมีความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนามากขึ้นแต่เริ่มปฏิบัติตนตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้คิดได้ไงเนี่ยน้องสาวคนที่สามของลูก เสียชีวิตตั้งแต่อายุหกเดือนวันที่น้องเสียชีวิตนั้นลูกก็ได้อุ้มน้องออกไปเดินเล่นกับเพื่อนบ้านที่เรมถนนบนสะพานแห่งหนึ่งขณะนั้นเพื่อนก็ได้มาขอน้องของลูกไปอุ้มเล่นหกเดือนกําลังหน้าอุ้มแล้วเราจึงเดินเล่นบนขอบสะพานแห่งนั้นอกลางสะพานก็นไปเดินนั้นไปเดินบนขอบเด็กๆพักจะเป็นอย่างไงนะชอบไอ้สิ่งๆหน่อยเนี่ยเสื้ลูกก็เดินนำหน้า ส่วนเพื่อนก็อุ้มน้องวิ่งตามหลังลูกตามขอบสะพานแต่แล้วก็มีรถบรรทุกเสียหลักขับพุ่งชนเข้าใส่เพื่อนและน้องจนคนทั้งสองตกลงใต้สะพานนั้นลูกตกตะลึงตกใจกลัวอยู่ข้างๆขอบสะพานนั่นเองน้องลูกเสียชีวิต ท, ทันทีส่วนเพื่อนก็ บ, บาดเจ็บสาหัสเพราะคนเมาเหล้าแ ล, แล้วขับรถประมาทมาเอกแล้วเห็นไหม เมาเพราะว่าไปดื่มน้ำเมาเดิมน้ำเมาได้เพราะมีน้ำเมาขายมีน้ำเมาขายได้เพราะมีคนผลิตน้ำเมาซึ่งตอนนี้ก็ลัอจะเอาเข้าตลาดแล้วจะออกกฎหมายมาป้องกันมาป้องกันโอ้ฟังแล้วเนี่ยสู้กันไม่ดีกว่าแกมั้งแกนี่มันไม่ไหวนะยเพราะว่าเราก็มีกฎหมายตั้งหลายฉบับป้องกันเหล่านี้ก็กันไม่ได้ พราผู้ที่จะออกกฎหมายก็ดีเนี่ยผู้รักษากฎหมายก็ดีใครจะทําหน้าที่ตน้องไม่ดื่มน้ําเมาไม่ว่าวายวอดไม่ว่าเบียสุราเมลัยเรืออะไรต่างๆพวกนี้ต้องไม่ดื่มเลยไม่ใช่เป็นบางครั้งหรือดื่มบางครั้งอารมณ์ชั่วบุบหรือวูบชั่วอะไรเนี่ยนะหรือดื่มชั่วคราวถึงคราวชั่วก็ชั่วคราวดีก็ดีก็ไม่ใช่ ต้องไม่ดื่มน้ำเมาเลยถ้าจะออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยแล้วใครจะรักษากฎหมายที่จะออกมาใหม่เนี่ยก็ต้องไม่ดื่มน้ำเมาด้วยแล้วก็จะต้องอะไรละ่ะเป็นพันภูเขาทองซื้อไม่ได้นะซึ่งจะมาปฏิบัติภารกิจตรงนี้เพราะนั้นทางที่ดีสุดพรรษานี้นี่นะทุกภรษานะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมายาวนาเป็นพันพันปี แม่ผู้ดื่มสุราติดอย่างหนักแต่พอเข้าพรรษาเขาจะงดงดเหล้าเข้าพรรษางดเองเลยนะบางทีก็เกิดจากการเชิญชวนหรือฟังเทศฟังธรรมหรือเชิญชวนจากพ่อแม่พี่น้องหมู่ญาติแล้วพอจะเข้าพรรษาก็เลิกกันเพราะด้นภายในพรรษาเนี่ยไม่ควรจะเอาเหล้าเข้าตลาดไม่ว่าตลาดไหนตลาดล่างตลาดบนหรือตลาดหลักทรัพย์ มันมันไม่มันไม่ใช่การลาเตะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งไอ้เหมาะควรเนี่ยเราจะต้องศึกษาคำจากพระอระหันต์คือภาษาริบุตรภิกษุรูปหนึ่งสงสัยว่าเหมาะควรนะมันเป็นไงถูกกับผิดเนี่ยพอจะเข้าใจแต่ไอ้เหมาะกขควรภาษาดิบุตรท่ทานก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า สิ่งใดที่เราคิดพูดหรือทํานั้นน้อมไปในทางทําให้อกุศลกรรมเกิดขึ้นจเจริญขึ้นสิ่งนั้นไม่เหมาะไม่ควรแต่ถ้าหากว่าสิ่งไหนเราคิดเราพูดเราทําแล้วน้อมไปทางที่ทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้นสิ่งนั้นเหมาะสิ่งนั้นควรมันมีหลักวิชาตรงนี้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยจะเอาไปดูกันล้พูดแต่เรื่องจะเศรษฐกิจจะเอาเงินเข้าประเทศอะไรต่างต่า น, นะ แล้วคอยมาว่ากันอีกทีเรื่องแก้ไขโดยออกกฎหมายแก้ไขก็น่าจะพอแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่เป็นไปอย่างนั้นเลยไปนั้นเนี่ยช่วยบอกกันต่ต่องไปเถิดนะจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีแพลงสัเพลงว่าเราจะทำอะไรก็ไม่ควรจะดื่มน้ำเมาเราจะทำอะไรก็ตามก็ไม่ควรจะดื่มน้าเมาเนี่ยน้องชายคนสุทอ้อมีการทังสติปัญญามาคอยจะสมบูรณ เมื่อเรียนจบม .3 ลูกให้ออกมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันน้องคนนี้จะชอบเก็บตัวเป็นปู่โสมเฝ้าบ้านไม่ติดต่อสัมพันธ์ใดๆกับใครเลยแต่พี่ๆกระ่งนั้นให้ใช้อย่างเพียงพอทุกเดือนคำถามบุพกรรมใดที่ถให้คุณพ่อมีอายุยืนและแข็งแรงมาตลอดตั้งั้งที่ท่านลา่าสัตว์มามากมายนี่น่าศึกษาเลยจ้ะแต่ด้ ว, วิบากกรรมใดท่านยังเสียชีวิตด้วยมะเร็งลาไส้ ฆ้าสัตวย์อายุยืนน้องชายบอกว่าสาเหตุหลักที่ทำให้คุณพ่อล้มป่วยและเสียชีวิตเพราะโกรธและเสียใจมากที่ลูกจดทะเบียนกับสามีชาวอเมริกันจริงหรือเปล่าคะและลูกจะมีวิบากกรรมใหมคะช่วยจำคำถามกันด้วยนะจ๊ะเสียงสดมนบท อ, อิติปิโสที่คุณแม่สวดให้คุณพ่อฟังในวันที่คุณพ่อเสียชีวิตมีผลต่อคตินิมิตของท่านอย่างไรหรือไม่ ปราชญ์ท่านเป็นอย่างไรคะท่านไปข้อความอะไรฝากมาถึงลูกๆบ้างนี่มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณมาดีอย่างนี้เนะี่คุณแม่ตายแล้วไปไหนท่านมาข้าฝันค่อนข้างบ้านจริงไหมคะแล้วทาไมท่านไม่มาก้าฝันลูกๆเองล่ะทั้งท่คุณแม่ก็ไม่เคยมาวัดแต่ฝันทําไมบอกให้มาทําบุญที่วัดนี้เนะี่ยคุณแม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะ มีข้อความใดฝากมาถึงลูกลูกบ้างไหมคะน้องสาวคนนี่หนึ่งจะเป็นผู้ส่งเทปทุ่งนาฟ้าโลกมาให้ลูกทำให้ลูกได้มาสร้างบา ร, รมีกหมูกนะเขาเป็นผู้นำบุญอยู่ที่ศูนย์เสียเตาบอกบุญสร้างพระถึงสองสร้อยองค์ส่วนน้องเขยกลัวจะไปเป็นเจ้าที่กลอกน้ำทองไดง้สันตลก จึงได้จัดพิธีเทเล่าในร้านอาหารตนเองแล้วก็เลิกขายน้ำเมาทั้งสองคนต้มเทสร้างบารมีกับหมู่คณะมากเขาสร้างบารมีมาอย่างไรคะ<ม>น้องสาวคนที่สองสร้างบารมีเป็นอย่างไรจึงต้องเป็นคริสต์ศาสินกิกชนมา ก, ก่อนที่จะมรรเข้าใจในพระพุทธศาสนาแล้วทําไมเขาจึงเป็นซิส์ต้องโดนผ่าตัดถึง7ครั้งและก็ปวดท้องบ่อย มิสุภาพมันค่อยจะแข็งแรงโดยที่หมอก็หาสาเหตุไม่พบจะแก้ไขวิบากรรมนี้ได้อย่างไรคะบุกรรมใดน้องสาวคนที่สามจึงเสียชีวิตตั้งแต่อายุหเดือนเพราะคนเมาสุราขับรถชนปัจจุบันอยู่พบภูมิใดตัวลูกเพื่อนและน้องสาวมีบุพกรรมร่วมกันหรือไม่พอไปด้วยกันทำไมลูกจึงรอดจากอุบัติเหตุครั้งนั้นได้ บุพบกามใดทำให้น้องชายคนสุดท้องต้องมีสติปัญญาไม่ค่อยจะสมบูรณ์คะมีวทางแก้ไขหรือไม่อย่างไรคะเรมีวิบากกรรมอะไรจึงใช้เวลาเกือบค่อชีวิตไปศึกษาและเป็นคริสตชนที่เคร่งครัดทำให้มาสร้างบารมีกมับโหขนะช้าทำไมโลกทำงานที่ไหนก็จะได้ตำแหน่งหัวหน้าทุกครั้งแต่พอชื่อเหลือใครก็กลับมองลูกไปในแง่ร้ายแปลกเนาะ ทำอย่างไรโลกยังจะทำหน้าที่กับฤมิตรให้แก่หมู่ญาติที่มีความเชื่อแตกต่างกันพี่น้องท้องเดียวกันนี่แหละให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้สำเร็จคะ่ะโลกนัมีแต่ความตั้งใจมากที่จะสร้างสูตรวิบัติธรรมที่สกละมันโตจะสำเร็จไหมคะโลกสามีลูกสาวสร้างบุญร่วมกันไาอย่างไรและสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะืะ คำถามที่น่าศึกษาที่เดียวเอามาฟังฝันในฝันกันจะ้ะลับตาฝันเป็นตูปินตะเตือนขึ้นม า, านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำประรากันจ้การที่คิดจะเอาน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะ<า>คือบริษัทส่วนตัวส่วนตัวเอาเข้ามาแล้วก็กลุ่มคนเล็กๆที่จะกระจายหุ้นกันไปเนะี่ย ก็ไม่กี่แสนคนนะแต่การคัดค้านไม่ให้อน้ำมันเข้าตลาดนี่เป็นเรื่องส่วนรวมหลายสิบล้านคนต้องช่างกงันให้ดีทีเดียวนะความเห็นกลุมไม่ใหญ่ว่าน่าจะทำอะไรเขาเรียกอะไรไระชามติกันประชาวิจารณ์ทั่วประเทศเลยคล้ายๆกับอะไรที่จะไปขุดแกส๊สที่จังหวัดไหน มันมีอยู่แต่จังหวัดนั้นก็เอาทั้งจังหวัดใช่ไหมจ้ะนี่ทาตรงนี้ประชามติแต่ท่านน้ำเมามีจังหวัดไหนบ้างนี่นะทำทุกจังหวัดที่มีน่นแหละอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาว่าควรเอาเข้าไหมหรือควรเอาออกหรือควรจะเลิกผลิตปิดโรงงานสุราแล้วก็แปลไปเป็นโรงงานอย่างอื่นทำนาโนเทคโนโลยีหรือไอเทคหรือพลังงานที่เป็นมิด ต่อสิ่งเวลามแล้วพื้นมนุษย์ก็ควรจะคิดเนี่ยก็คิดกันไปเรื่อยๆอย่างนี้คิดได้ไงเนี่ยที่จะเอาน้ำมักเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเรื่องส่วนตัวคัดค้านไม่ให้น้ำมักเข้าตลาดหลักทรัพย์นี่เรื่องส่วนรวมปกป้องพี่น้องผองในเพราะนั้นจะคิดได้ไงก็แล้วแต่คิดให้ดีแล้วก็พูดให้ดี แล้วก็ต้องทำให้ดีด้วยดีสุดคืออยาวเข้าไปแล้วก็ให้มันลดลงไปเรื่อยๆเลยปีสี่เก้าลดลงมาสักเหลือครึ่งพอปีห้าศูนเลิกหมดแปลลูกโรงงานอะไรต่างๆอย่างนี้ไงคุณพ่อยื้อๆแล้วแข็งแรงมาโดยตลอดทั้งนั้นที่ปัจจุบันท่านลาสัตว์มามากมายเพราะ บุญอดีตเคยแจกจ่ายอาหารยารักษาโรคช่วยเหลือคนยากคนจนกับชาตินั้นไม่ค่อยทําปาราติบาตบนชาตินี้บุญนั้นน่ะยังส่งผลอยู่จ้า<อ>เหมือนไอ้ทําไมค้านะ้าํามอทำไมรวยอะไรเนี้ยตั้งแต่ความหายนะเพื่อมนุษย์เกิดขึ้น<อ>บุญเก่ายังส่งผล<อ>แต่ใช้บุญเก่าไปบุญเก่าก็มีวันหมดไป และสร้างบุญใหม่ด้วยบุญปนธุรกิจก็ดีนิดเดียวบุญปนธุรกิจได้นิดเดียวเพราะวัตถุถ้าไม่บริสุทธิ์เห็นไหมจ๊ะและกัเจตนาก็มัยังไม่บริสุทธิ์เพราะปนธุรกิจนี่ม่าจะเอาไปทำอะไรแล้วก็แต่จะมีธุรกิจเจือกันสร้างภาพสร้างพวกอะไรต่างๆแล้วก็บปนธุรกิจไปอย่างนี้ทำหมดไปละยุ่งดีๆนะถ้าบาปส่งผลละ อันตรายนะจ๊ะนี่โดยรักและห่วงใยเจ้เสียชีวิตด้วยมะเร็งลำไส้เพราะบาปที่ขาดสัตว์ในปัจจุบันเริ่มมาส่งผลจ้<อ>บาปปัจจุบันเริ่มส่งผลแล้วเป็นมะเร็งลำไส้ทึ่คุณพ่อล้มป่วยจนเสียชีวิตเพราะบาปกรรมนั้นกล่าว ม, มาส่งผลอีกทั้งก็ถึงเวลาหมดอายุไขของท่านแล้วตั้งแ13ปีไม่เกี่ยวกับการที่ลูกแต่งงานกับกับสามีชาวมีกันจะ เพรนั้นไม่มีวิบากกรรมอะไรก็มีแต่ทําบุญละอุทิศส่วนกุศลแมให้ท่านเท่านั้นแหละเ <found ot> สียงสวดมนติปิโสของคุณแม่ไม่มีผลต่อกตินิมิตของพ่อเพราะพ่อไม่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาเนื่องจากท่านเป็น <ust> <found ot> <found ot> คริสตียนตอนมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงก็ยังต่างคนต่างพูดกันเนมีเจ้านัตทีในยมโลกมารับไป เนี่ยเรากำลังเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมนะนี่และอย่าลืมว่านารกสวรรค์เป็นของกลางเหมือนโลกมนุษย์ก็เป็นของกลางบนโลกเรานี่เป็นของกลางนะที่ทุกชาติทุกาศาสนาทุกความเชื่อทุกเผ่าพันธุ์อยู่รวมกันบนโลกนี้เหมือนป่าเป็นของกลางที่ต้นไม้หลากหลายพันุอยู่ไ ง, ไงี้ไงมันเป็นของกลางกลางนะนรกสวรรค์ก็เป็นอีกภพภูมิหนึ่งหรืออีกโลกหนึ่ง ก็เป็นของกลางที่ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาถ้าผิดกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎสาคักฎสากลนี่แล้วก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีใจใสไปสวัสค์ทำชั่วใจหมองไปอบายนี่นี่นะจ๊ะเจ้าหน้าที่ยอมรับรับตัวไปแล้วก็ได้ถูกวิพากษาบุญบาปก็สักถามกันไป และในสุกเตสินให้ท่านไปถูกท่านทรมานได้ถูกเจ้าหน้าที่ยิงตายแล้วถูกชํำแหละถูกทรมานมากด้วยบาปที่ท่านทำปาณาติบาตรล่าสัตว์เป็นเกมีลานี่เพราะท่านถือว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีเจ้าของแล้วก็มีผู้ทรงมาให้เป็นอาหารมนุษย์คิดเองมันจะกินทักอย่างมันก็มีเหตุผลมารองรับพอกินแล้วดิมีเหตุผลเลย จะได้สบายใจไงแต่ไอ้ปลอบใจนี่ให้สบายใจเนี่ยความจริงลลของชีวิตคนละเรื่องกันแล้วนี่ยนี่แต่ที่ไม่ไปมหานลกเพราะบุญสงเคราะห์โลกมาอุ้มไว้จ้ะที่เคยสงเคราะห์ทำสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือคนยากคนจนเลยท่านกลัวแล้วทุกข์ทรมานมากอีกทั้งรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้รู้แล้วเห็นไหมจะเชื่อตอนเป็นแล้วจะไปเห็นตอนตายเชื่อตอนเป็นจ้ะนี่ ไปเห็นตอนตายแล้วรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่ทําไปนั้นอ่ะในมนุษย์อ่ะล้วนเป็นบาปจะไปยิงนกตกปลาอะไรพวกนั้นเป็นเกมกีฬาไม่มีใครช่วยท่านได้ผู้ที่จะมาช่วยท่านก็ไม่มาตอนนี้ท่านร้องโอดโอยว่าช่วยทีช่วยทีแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยอ่ะตอนนี้ท่านอย่างเงี้ยช่วยทีช่วยทีวันพระก็ช่วยทีช่วยทียทนอน นี่และจ้ะแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยเด้อคนแม่ตายแล้วใหม่ๆก็ไม่ได้ต่างตัวเพราะอยายุไข่หมดใหม่ๆจึงเวนเวียนอยู่กับครอบครัวที่บ้านเจ็ดวันแล้วก็เห็นทางสว่างดูนิมนต์ข้านี่บุพกรรมของท่านนิมนต์เจ้าข้านิมนต์ทางนี้เจ้าข้าแล้วก็ใส่บาตรก็เห็นทางสว่างท่านจึงเดินไปตามทางนั้นไปตามทางสว่างแล้วก็ แว บ, บไปเกิดเป็นเทพธิดามีวิมานทองของฉันดาวดึงเฟสองใ่ด้วยบุญิีท่านทำอย่างสม่ำเสมอในพระพุทธศาสนาจา<ด>คุณแม่ได้รับบุญที่ลูกที่เป็นพุทธอุทิศไปให้แล้วด้วยความปิติใจแต่กำลังมีความสุขด้วยทิพยสมบัติซึ่งเกิดจากบุญที่ทำทำไว้และอุทิศบุญไปให้ท่านจาท่านฝากมาบอกว่า ให้ทำบุญในพุทธศาสนาไว้เยอะๆเหมือนแม่แล้วจะได้มาอยู่กับแม่จ้าแลวก็ขอบคุณลูกที่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านด้วยรักและห่วงใยจากดาวดึงเฟศสองโอวิมานทองดาวดึงเฟสองไม่ธรรมดาหรอกน้องสาวคนที่หนึ่งกับ น, น้องเคยก็เคยสร้างบารมีกระมูกขคณะมาอย่างต่อเนื่องในฝ่ายกองสเสบียงจ้จึงเลิกขายน้าเมาได้น้องสาวคนที่สองก่มาเป็นพุทธ ก็เดเป็นคริสเพราะแน่ดีนี่เราย้อนหลังย้อนการเวลากลับไปเธอเดิมก็เป็นพุทธนะหลัง<อ>สอวันที่สองเนี่ยแล้วด้สร้างบา ร, รมีกับหมู่คณะมา<อ>ะแล้วเกิดการกระทบกระทั่งกับสมาชิกบางคนของหมูนะ่คณะเห็นไหมอีหลับเดิมนึงนั้นจึงได้ออกจากหมู่ คณะไปศึกษาความเชื่ออื่นที่เป็นเทวะนิยมอีกทั้งเวลาที่ทําบุญกระหมูคณะตอนนั้นไม่กระจายรอบครอบว่าให้เกิดในโลกการของพระพุทธศาสนาดังนั้นในชานี้ช่วงแรกจึงพลัดจากพุทธศาสนาไปแต่บุญเก่าที่เคยทําไว้ในพระพุทธศาสนาก็ดึงดูดให้กลับมาศึกษาและทําความเข้าใจา พ, าพระพุทธศาสนาในภายหลังจ้ะ น้องสองาวในสามเป็นซิสต้องถูกผ่าตัดถึงเครั้งเป็นซิสทวดอิมกั บ, กบคุณยายใบยนะลูกสาวทวดยายใบอา ย, อยุ80ดสิบทวดอิมนักเรียนอนุบาลฝันดีแบบวิญญาอายุ105ปีถ้าบอกซิสไม่มีในโลกมีตรงไหนบี้ไปตรงนั้นบี้ไปดีกว่าซิสมันจะหมดตอนนี้จะไม่มีแรงบี้เลยใช่เหยียบออกเหยียบซิสถ้าบอกซิสไม่มีในโลก เออครูผูใหญ่ป่า <c oughs> เป็น <c oughs> วัดดิงในก็ท่าน่ยปวดท้องบ่อยๆสูบภาพไปกางแรงพระเศษกรรมกามเจ้าชู้กับกรรมขาสัตว์ตมหารเนี่ยอดีตตามมาส่งผลนี่ขาดสัตว์ตมหารเนี่ยผ่าตัดนี่เป็นผู้หญิงก็เศรษฐ ก, กรรมเมเจ้าชู้เป็นซิสอะไรพวกนี้ยหมอหาสาเหตุไปเจอเพระโรคนี้เกิดจากกรรมจะ้ะนี่เกิดจากกรรมไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค เพราะนั้นไม่มีในตำราแต่มีในตำลับตำลับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องรอออฟกรรมมาเพระาะนั้นในตำราของแพทย์ไม่มีให้ไปค้นในตำรั บ, รบอืจะแก้ไขก็ต้องน้องสาวสั่งสมบุญทุบุญนั้งทางนศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วที่บุญกุศลไวให้กับสัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนคขาไว้บ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าบุญเท่านั้นแหละ ที่จะไปตัดรอนบาปสู้กับบาปได้ไม่มีใครมาถ่ายให้ได้ต้องถ่ายเองโดยการสั่งสมบุญนั่นแหละทุกวันทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นจะปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วก็ทิดบุญกุศลไปให้กับผู้ที่เราไปเบียดเบียนเข้ามาลังสาวนที่สามเสียชีวิตตั้งแต่หกเดือนเนื่องจากคนเมาสุราขับรถชนเพราะกมแนดิดเคยเลี้ยงเหล้าและสั่งให้เขาฆ่ า, าสัตว์ทำกับกแกล้ม โดยเฉพาะลูกสัตว์ต่างๆเ <ๆ S 1> ช่นลูกน ก, นก <ๆ S 1> เพราะเพื่อนฝูงที่เมาชอบมาก<อ>วิบากกรรมนี่ตามมาส่งผลจ้ะ<อ>ตายแล้วถูกภูมิธิวาที่เป็นเจ้าตทิเขตนำไปดูแลพักหนึ่ง<อ>จนกระทั่งโตแล้วก็ชี้มาให้เกิดนี่เจ้าตทิเขตก็พาไปเกิดเป็นมนุษย์เอาข้าวบ้านนี้นี่<อ>แต่ตายไดยวัยยาวมาหลายรอบแล้วพอเกิดแล้วก็ตายวัยยาวนีอีก เกิดตายเกิดตายมาหลายรอบแล้วยังไม่หมดกรรมจานี่ทำกับแกล้มเนี่ยขาดสัตว์ทํากับแกล้มเลี้ยงเล่าโดยเฉพาะลูกสัตว์เพื่อนกับน้องสา ม, มีบุปกรรมคล้ายกันแต่เพื่อนเบาบางกว่าจึงเป็นไม่มากแต่ตอวลูกไม่มีบุปกรรมดังกล่าวจึงกรอดจ้ะน้องชายคนสะท้อมีสติปัญญาไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะเสก ร, รมสุราเนดีดประสงค์ผลผู้ผิดสุราผู้ผิดน้ําเมา พ่อจำนายน้ำเมารับผิดชอบไปมจ๊ะไม่รับไม่รับผิดชอบนะจ๊ะนี่เห็นไหมแต่กรรมบาบางลงแล้วจึงมีสติปัญญาน้อยแต่ไม่ถึงปัญญาอ่อนแต่คนละอย่างกันนะปัญญาน้อยคือมันถ้าปัญญาอ่อนนี่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องปัญญาน้อยพอรู้เรื่องคือนับเงินนับทองรับเงินรับทองได้นับเงินนับทองจะแก้ไขก็ให้น้องสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วติฐานจิตให้วิบากให้พ้นวิบากกรรมนี้จ้า ลูกต้งเสียเวลาไปศึกษาคำสอนอื่นและเป็นคลิสซาสนิกระชนที่เก่งครัดมาข้อชีวิตและก็มาสร้างบ ร, รมีกมู่คณะช่าพระแน่ดีก็เคยสร้างบนกมู่คณะมาแบบกองสบีในระดับแนวหน้าด้วยแต่ก็กระทบกระทั่งกันกันกบบางคนในหมู่คณะจึงน้อยใจและออกไปว่าเราขนาดอยู่แนวหน้าอุทิศตนทางานาศาสนาขนาดนี้เป็นนักรบกองทัพขนาดนี้เนี่ย ทำไมจึงทํากับฉันได้อย่างนี้ี่จริงคิดไปเองกันแหละหรือทําไมไม่ให้เกียรติฉันอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปศึกษาความเชื่ออื่นเพื่อไม่เสียเวลาบอกอฉันไม่เชื่ออย่างนี้ก็ได้ไมาเชื่ อ, องนี้ก็ได้ศึกษาเรื่องเทวนิยมที่นิยมเทวดาและเทพเจ้าที่สมมุติขึ้นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัน ส, สูงสุดเป็นพระผู้สร้างทุกอย่างเป็นผู้สร้างโลกสร้างสรงสรพสิ่งอะไรอย่างนี้เวลาคุยกันเนี่ยจะยกตรงนี้ใครสร้างโลกต่างกันถามมา ไม่รู้คือโลกมันมีน้ำเมามีอะไรต่างๆมีอะไรสารพัดเยอะแยะเกิดขึ้นในโลกใบนี้มีคนพาลมีคนโน่นมียาเสพติดมีอะไรสารพัดมันไม่ไหวใครสร้างก็ไม่รู้อะเกิดไม่ทันเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจคําถามอย่างนี้และอย่าไปถามมาเลยควรจะถามว่าทํายังไงจึงจะดับทุกข์ได้เอออย่างเงีน้ยนะตอบทาไงจะเห็นองค์พระใสใสจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริง ยิ่งใหญ่มีที่พึ่งที่ลึกภายในพึ่งตัวเองได้เหมือนดวงตะวันที่มีความสว่างในตัวเออถามอย่างนี้สิเจะอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาและไปศึกษาความเชื่ออื่นแบบเทวานิยมและเคยคิดว่าจะไม่กลับมาสร้างบรมีกัมมูขณะอีกอแต่ตอนท้ายของชีวิตก็กลับมาสร้างบรมีกัมมูขณะใหม่ผังนี้ก็ติดตัวมาจึงทําให้ลูกเป็นดังกล่าวจะคือเริ่มต้นด้วยคําสอนอื่น แล้วก็กลับมาในภายหลังลูกเขาไปทํางานที่ไหนมักจะเป็นระดับหัวหน้าแต่พอช่วยเหลือใครกลับถูกมองในแง่ร้ายเพราะลูกตั้งความปรารถนาในอดีตที่จะเป็นผู้นําในหน้าที่การงานมาหลายชาติแล้วอยกจะเป็นผู้นํามาหลายหลายชาติเนี่ยผังนี้ติดตัวมาจึงไปอยู่ที่ไหนมักจะได้รับเชิญที่เป็นหัวหน้าแต่ลูกเนี่ยมักจะเลือกที่รักพักที่ชังคือรักก็จะเอาเข้า ที่ชังก็จะผลักออกอนี่เขาเรียกว่าเลือกที่รักผลักที่ชังอันไหนรักเราก็เอาคนนี้อันไหนชังเอาออกอกไปก่อนไว้ก่อนอนี่อย่างนี้ละจ๊ะก็แก้ไขในหลวงนะก็แค่อคติสีนั่นแหละถ้าเราใจเป็นกลางกลางนี่เดี๋ยวไม่เข้าข้างเขาก็ากลางอย่างเดียวนี่น ะ, ะใส่ปัจจัยใสเดี๋ยวคนจะรักเรา เพรสิ่งที่เราวินิจฉัยคิดพูดทําไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกหลักวิชาก็จะเป็นที่รักของทุกคนลูกจะทําหน้าที่เป็นกเรยนนิมิตรให้กัะบูรย่าที่มีความเชื่อต่างกันนั้นลูกจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนโดยการศึกษาธรรมะให้เข้าใจซะก่อนแล้วก็ปฏิบัติธรรมะให้มีประสบะการณ์ภายในซะก่อนแล้วจึงแนะนําธรรมะด้วยความอดทนและเยือกเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสจ้าโดยเหตุด้วยผล ลูกจะสร้างสูตรปฏิบปธรรมนั้นนะก็จะสำเร็จจ้ะแต่ลูกต้องอดทนต่อการกระกระทบกระทั่งพอที่ผ่านมาในอดีตก็ไอ้กระทบกระทั่งนี่แหละไม่อดทนแต่ถ้าไม่ถือก็ไม่ต้องทนคือลูกถ้าจะไม่อดทนต้องทางี้นะจ๊ะทำความเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีกิเลสดวงบรรนะัญญาณไม่เท่ากันหรอกเราจะให้เขาเนี่ยมารู้เท่าก่าเราเนี่ยมันยาก ถ้าเขารู้เท่ากับเราเนี่ยก็ต้องไม่มีเราเหรอกเพราะเขารู้เอกเขารู้เท่ากับเราแล้วนี่แต่เพราะเขารู้ไม่เท่าเราแเขารู้ไม่เท่ากันแล้วก็ยังมีกิเลสอยู่จึงมีข้อผิดพลาดดังนั้นเราไม่ถือสาเรื่องข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์เราก็ไม่ต้องอดทนเพราะไม่ถือไม่ต้องท น, นวันเราถือกระป๋องเนี่ยก็ต้องทนถือเพราะมันหนักแต่ถ้าเราไม่ถือระวางเอาไว้มันก็ไม่ต้องทนเห็นไหมจ๊ะแค่ทําความเข้าใจว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเองนะ่ และเราก็เป็นเช่นเดียวกันเราก็ยังมีกิเลสและดวงวิญญาเราก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะพูดดีๆออกไปนี่นะและให้เขารักทุกคนและให้เข้าใจบางทีเรายังพูดไม่สมบูรณ์เขาก็ไม่เข้าใจเมืออกันและเขาก็ไม่รักเราเมืออกันเราก็ยังไม่สมบูรณ์เหมือนกับเขาเมืออกันเนี่ยบางทีเราอยากจะพูดให้เขารักกันแต่เราไม่รู้จะพูดยังไง่ะจริงๆนั่นเนี่ยเราไม่รู้จะพูดยังไงล้วไม่รู้จะทำยังไงเนี่ย เขาก็เช่นเดียวกันคิดจริงนี้แล้วสบายใจยิ้มบ่อยๆใจสายเยอะกินแล้วก็ทำงานเป็นทีมนะลูกนะคอยเชียร์คอยชมเนี่ยเป็นกองตั้งกองเชียร์ทีมหนึ่งกองชมทีมหนึ่งเชียร์ก็มาทำงานและชมมัาเก่งและดีอะไรอย่างเงี้ยหัดยกนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยบ่อยๆ อ, <Yeah. S 1> อย่างนี้ก็จะสำเร็จจะสามีลูกสาวเคยเป็นกองสเสบียงของหมู่คณะหมาแบบตามอารมณ์ ตามใจฉันคือทําบ้างไม่ทำบ้างถ้ามีอารมณ์ดีฉันก็ทําอารมณ์ไม่ดีฉันก็ไม่อยากทํามีใครมาเอาใจฉันฉันก็ทาไม่มีใครมาเอาใจฉันก็ไม่ทาจึงพลาดไปเกิดนอกบุญญาธิตนี่แหละจ๊ะโดยในอดีตต้นลูกเคยเป็นกลัลมิตรให้ทั้งสองมาสร้างบรมีกับหมู่คณะเจาสา ม, มีกับลูกสาวนี่แหละชาตินี้มาเจอกันอีกใกล้ตั้งใจสร้างบรมีให้เต็มที่แล้วติดฐานจิต ตามตีไปดูเศษบุรีวงบุญพิเศษเขตบรรมโพธิสัตย์จะได้พลัดกันเลยจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของแคสตี้ตันสันเลยจ้า